1. จิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาวงเล็บเปิด15เมษายน2550จุดจุดนาที18วงเล็บปิดกรรมาฐานที่ง่ายๆหลวงพ่อไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะแต่ท้าให้ลองตังหากลองดูกรรมาฐานที่เหมาะกับคารวะเหมาะกับคนที่ธรรมาหากินด้วยการคิดในคำพีเราสอนว่าการดูจิตและธรรมะเหมาะกับพวกที่คิดมากเหมาะกับพวกที่ิจริต พวกเรายุคนี้เป็นคนเมืองส่วนมากประกอบอาชีพด้วยการคิดเอาวันๆเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายคนที่คิดมากจิตใจไม่สงบหรอกในคัมภีร์ของเราสอนว่าเหมาะกับการดูจิตเหมาะกับจิตตานุปัสสนาเหมาะกับธรรมานุปัสสนาท่านอธิบายต่อไปอีกว่าจิตตานุปัสสนาทําง่ายธรรมานุปัสสนาทํายากดังนั้นพวกเราที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคล เบื้องต้นฝึกดูจิตไปส่วนคนไหนถนัดจะรู้กายจริงๆก็ฝึกสมาธิไปมีเวลาก็ลางานไปอยู่ตามวัดป่าภาวนาให้มีสมาธินะพอมีสมาธิแล้วก็เอาสมาธิมารู้กายรู้เวทนาท่านสอนอีกว่ากายรู้ง่ายเวทนารู้ยากธรรมานุปัสสนายากกว่าจิ ต, ตานุปัสสนาฉะนั้นกรรมฐานที่ง่ายคือกายกับจิตกรรมฐานที่ยากคือเวทนากับธรรมคนเมืองพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิต จิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทําให้ดีก่อนเช่น <trades> จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ต้องทําสมาธิก่อนเพราะถ้าทําสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะรู้ไปตรงๆงไม่ต้องทําสมาธิก่อนถ้าทําแล้วมันไม่มีราคะให้ดูจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ต้องทําสมาธิก่อนถ้าทําสมาธิก่อนจิตจะไม่มีโทสะให้ดู แต่ดูไปดูไปจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเองเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิส่วนการดูกายนี่ใช้สมาธินำปัญญามีสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญารู้กายรู้เวทนาการดูจิตใช้ปัญญานำสมาธิมารู้จิตรู้ธรรมก่อนแล้วสมาธิเกิดที่หลังแต่ว่าแต่ละวันก็ต้องทำสมาธิเล็กน้อยอย่าทิ้งเลยไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สมาธิแผ่เมตตาก็ได้สมาธิคิดถึงธรรมะฟังธรรมะก็ได้สมาธิ คิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทำดีแล้วก็ได้สมาธิคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็ทำได้ถ้าดูจิตชำนาญแล้วรู้ลมหายใจก็มีสมาธิง่ายนะทำอะไรมันก็ทำได้ถ้าจิตมีสติแล้วฉะนั้นพวกที่คิดมากพวกคนเมืองจึงควรใช้ปัญญานาสมาธิ